คือรักคนได้ทั้งโลกโดยท่านวอวชิวราเมธีบรรยายนะธรรมสภามหาวิชาลัยพุทธเศรษฐาตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2556ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพ นบแบทนี้โซติเตหตุสัพพทาคอร์ภาวนาของเรามีความหลากหลายส่วนหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ ส่วนหนึ่งเป็นแพทย์และพยาบาลท่านพอ อ, อยังอยู่ไหมพออเชิงแสน่ะโอ้อยู่โน่นนะเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ่อยู่ข้างหลังผู้นำไม่แท้จริงอยู่ข้างหลังนะตามปรัชญาตเตา๋าพูดนำจะอยู่ข้างหลังแต่ทุกคนจะรู้ว่าเขาอยู่ข้างหน้าฉะนั้นที่อยู่ข้างหน้าไม่จริง เอาละทีนี้นอกจากครูและแพทย์พยาบาลแล้วเป็นท่านอื่นๆยกมือซิโอ้หน่าชื่นใจเยอะๆเลยนะคุณโยมป้าปิกนี่มาจากเยอรมันเมืองอะไรเมืองอาเซนน์นพระอาจารย์เคยไปจัดนำภาวนาเมื่อวานเห็นมีโยมมาจากแคลิฟอร์เนียอยู่ไหนเอย่ย คนชมจากแคลิฟอร์เนียเนาะมีมีอีกไหมจากประเทศอื่นมีอีกไหมเอาแล้วนะแล้วก็คุณแม่สมศรีจากกรุงเทพมหานครนันนี้ก็มาร่วมกับเราป ร, ปรบมืออารย่าให้คุณแม่หน่อย <c oughs> <c oughs> จะปิดคอสอยู่แล้วสติยังหลุดอีก <c oughs> รู้ไหมว่าว่าสติมีบทบาทต่อการปฏิบัติธรรมยังไงสติทำให้เราเป็นอิสระจากความเคยชินความเคยชินไปนเรื่องของกิเลสสติเป็นเรื่องเหนือสัญชาตญาณฉะนั้นการปฏิบัติธรรมง่ายมากคือเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเมื่อนั้นเราได้ปฏิบัติธรรมเมื่อกี้ที่ปรอมือให้คุณยมสมศรีก็เพราะว่าคุณแม่เป็นผู้ประทัมหลักอย่างเป็นทางการ อาคารหลังนี้แม่บริจาคมาตั้งแต่ต้นเลยเมื่อวานแม่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาดูความคืบหน้าของงานก่อสร้างยังบริจาคเพิ่มมาอีกนะเกือบสามแสนบาทนี่ก็เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระให้กับไร่เชิญตะวันและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ตรมภาพรมวันนี้โยมแม่ก็มาร่วมสามวันแล้วเนาะ มาร่วมด้วยมาเข้าคอสภาวนาด้วยหลังจากที่อยู่บ้านฟังเทปอ่านหนังสือพระอาจารย์มานานก็ให้ยศแม่ได้มาดูความคืบหน้านี่ก็คือพระโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้คือเรื่องจิตพระโพธิสัตว์วอลเลนเทียสปิริหรือโพธิสัตว์สปิริตแปลว่าจิตพระโพธิสัตว์ที่วันนี้เราได้ยินคําว่าจิตอาสา จิตอาสาจิตสำนึกสาธารณะ Service m d Public m d เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเพิ่งมารณรงค์กันไม่นานมานี้เมื่อเกิดกรณีซูนามิขึ้นในประเทศไทยนับเป็นข่าวร้ายทั่วโลกสลดสังเวชแต่ในข่าวร้ายมีข่าวดีทั่วโลกชื่นชมคนไทยลงไปเป็นอาสาสมัคร ช่วยเก็บศพจนกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนั่นคือสิ่งซึ่งสะท้อนว่าจิตอาสาจิตสานึกสาธารณะจิตพระโพธิสัตว์มีอยู่แล้วในพี่น้องเราชาวไทยอย่างไรก็ตามจิตอาสาจิตสานึกสาธารณะในทัศนะของอาตมาคิดว่ายังไม่พอต้องพัฒนาต่อไปให้เป็นจิตพระโพธิสัตว์ และเราทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์ได้ที่บอกว่าจิตอาสาจิตสํานึกสาธารณะยังไม่พอก็เพราะต้องรอให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาก่อนจิตอาสาถึงจะเกิดจิตสํานึกสาธารณะก็เหมือนกันต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาก่อนอาตอมาจึงคิดว่าเมื่อจิตอาสาจิตสํานึกสาธารณะจะเป็นเรื่องดีงาม แต่ก็ควรจะพัฒนาต่อไปจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ต้องยกระดับจิตไปอีกขั้นหนึ่งให้เป็นจิตพระโพธิสัตว์จิตพระโพธิสัตว์ก็คือจิตที่มีความเบิกบานจากการรับใช้เพื่อนมนุษย์ปรัชญาที่พระโพธิสัตว์ยึดถือเป็นอุดมคติทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเกิดในสภาพชีวิตแบบไหน เป็นมนุษย์เป็นสิงสาราสัตว์เป็นนกหนูหูเปกโดยที่ไม่ต้องรอให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ทุกภพทุกชาติพระโพธิสัตว์จะถือคติประการหนึ่งก็คือปรารถนาให้คนอื่นดีกว่าตนปรารถนาให้คนอื่นดีกว่าตน และเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์นี่คือจิตพระโพธิสัตว์และเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วพระโพธิสัตว์จะไม่นิ่งนอนใจพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยกรุณาโดยปราศจากเงื่อนไขช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติดังหนึ่งเป็นน้ําก็ไหลเป็นจันทร์ก็ส่องเป็นนกก็ร้องเพลง เป็นสายลมก็รำเพยโดยไม่เคยเรียกขานถึงการตอบแทนและเมื่อได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลใครแล้วพระโพธิสัต์ก็จะขอบคุณผู้ที่ตนช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นทำให้เราได้บาเพ็ญบารมีไม่ใช่ไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาแล้วเรียกร้องให้เขาขอบคุณเรานะไม่ใช่ พระโพธิสัตว์ไม่ทำอย่างนั้นพระโพธิสัตว์นั้นช่วยเหลือเกื้อกูลเสร็จแล้วก็จะขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้ตนได้ช่วยเหลือด้วยนี่คือจิตของพระโพธิสัตว์ในคอสภาวนาที่ไร่ชนตะวันนี้เรามีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งซึ่งจะได้สวดกันทุกวัน ท, วทั้งเช้าทั้งเย็นนั่นก็คือบทบา ร, รมีสามสิบทัศบทบารมีสามสิบทัศ ก็คือคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ตามคติเทรวาวพระพุทธศาสนาคติเทรวาวซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยในประเทศลาวกัมพูชาพ ม, มา่าสีลังการวมทั้งบางปลาเทศและตอนนี้ก็ถูกรื้อฟื้นคืนกลับมาใหม่ในประเทศอินเดีย ประเทศในแดนดินทินแถบที่เราเรียกกันว่าสุวรรณภูมิหรืออินโดจีนอย่างเนี้ยเป็นประเทศที่โอบกอดเอาพระพุทธศาสนาไว้หลังจากที่ศูญหายไปจากพื้นแผ่นดินมาตุภูมิคือประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองอยู่ในแถบเอเชียอาคาเนรีรวมทั้งประเทศไทยเรานี้เป็นพระพุทธศาสนาสายเทรวาว และในคติแบบเถราวาดผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องผ่านการบำเพ็ญบารมีช่วงที่บำเพ็ญบารมีนั้นเราเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตย์แปลว่าผู้เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ผู้ที่ตั้งปณิธานว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้า และเมื่อได้ตั้งปณิฐานแล้วทันดีที่ตั้งปณิฐานได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจากเวลานั้นเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงนาทีก่อนตรัสรู้เราเรียกท่านว่าพระโพธิสัตว์ในเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะต้องมีจริยาของพระโพธิสัตว์อะไรคือจริยาของพระโพธิสัตว์คําตอบก็คือบารมีสิบทัศ บารมีสิบทัดหรือบารมีสิบประการแต่ละประการบำเพ็ญสามระดับระดับต้นระดับกลางระดับสูงระดับธรรมดา ร, ระดับปานกลางระดับสูงสุดเช่นทา น, บาทานปปะบารมีทานะอุปปบารมีทานาปารมัฏฐบารมีทานาบารมีบารมีขั้นต้น เช่นให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองให้เสื้อให้ผ้าให้ข้าวปลาอาหารทานะอุ ป, ปะบารเมให้อวัยวะบริจาคดวงตาบริจาคเลือดบริจาคไตอุทิศ ร, ร่างกายหลังจากตัวเองล่วงลับดับขันทานะประมัตถบารเมบารเมขั้นอุกฤกหรือขั้นสูงสุด ให้ชีวิตเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานคือยกชีวิตตัวเองให้เป็นทานเพื่อความอยู่รอดของคนอื่นทำได้ยากมากเพราะต้องวางชีวิตของตัวเองลงเป็นเดิมพันฉะนั้นในทุกภพทุกชาติพระโพธิสัตว์ของเรานั้นท่านบาเพ็ญบารมีเหล่านี้จึงได้เห็นบางภพ บ, บางชาตินะที่ท่านอุทิศชีวิตของตัองนั้น เพื่อให้ผู้ที่ยังเหลือมีชีวิตรอดเช่นพระชาติหนึ่งได้เสวยพระชาติเป็นพระยาวานนเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาวานนนั้นเมื่ออยู่วันหนึ่งพระราชาพร้อมกองทัพบุบกป่าฝ่าดงลุยตามน้ำขึ้นไปไปจนถึงถิ่นของพระยาวานน ในทีนของพญาวานนนั้นมีต้นมะม่วงซึ่งโอชารสอยู่ต้นหนึ่งเปีหนึ่งมะม่วงสุกหนึ่งครั้งพอมะม่วงนั้นสุกแล้วพญาวานนก็พาหมู่คณะขึ้นไปเด็ดมากินอยู่มาวันหนึ่งมะม่วงผลหนึ่งหลุดตกลงไปในลำธารไหลและล่องท่องน้าไปจนถึงปลายน้ำ พระราชาทรงสงสนานอยู่กับข้าราชบริพารทรงพบเห็นมะม่วงหยิบมาเสวยทันทีที่ชิวหาประสาทกระทบรสชาติของมะม่วงทรงตกตะลึงพึงเพลิดทำไม่ช่างโอชารส ถ, ถึงเพียงนี้ทรงมีรับสั่งให้เสนาบดข้าราชบริพารทรงจาระบรุรษคือสปายตามน้ำขึ้นไป จนไปถึงถิ่นของพญาวานอนเมื่อเจอแล้วยกกองทัพญาตราขึ้นไปเพื่อที่จะไปดูว่าต้นมะม่วงที่มีผลมะม่วงแสนโอชารสนั้นอยู่ตรงไหนเมื่อขึ้นไปถึงพญาวานอนแตกตื่นตกใจพากันหนีไม่ทันกองทัพของพระราชาแวดล้อมต้นมะม่วงหนาวคันสนปล่อยลูกธนูหลุดจากแหล่ง พุ่งไปทิ่มแทงพยาวานนตายไปกว่าครึ่งพระโพธิสัตว์ในพระชาตินั้นตัดสินใจบำเพ็ญปรมัภบารมีให้ชีวิตเป็นฐานเห็นว่าถ้าปล่อยให้หนีกันตามสัญชาติญาณคงจะตายกันทั้งหมดเป็นแน่พระโพธิสัตว์จึงตัดสินใจใช้พละงกำลังของตัวเองกระโดดไปหาเถาวันอันใหญ่เส้นหนึ่งมาได้แล้ว กระโดดข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะถึงเถาวันกับคาคบไม้ของอีกฝั่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเถาวันสั้นถึงไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งเหลืออีกประมาณสักหนึ่งหนึ่งช่วงตัวตีซะวันหนึ่งว่าพระยาวานอนก็เลยเอาตัวเองทําเป็นเชือก หนช่วงตัวนั้นขาข้างหนึ่งเกาะกิ่งไม้ฝั่งนอนมืออีก2อข้างถึงเชือกดึงจนตึงสุดศักยภาพของเชือกเส้นนั้นแล้วก็รองเรียกให้บริษัทบริวาลห้อยโหนผ่านเส้นเชือกนั้นข้ามแม่น้ำจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งอุทิศ ต, ตนลงวางชีวิตเป็นเดิมพัน ให้บริษัทบริวัรเยียบตัวเองแทนเส้นเชือกระหวางนั้นพระราชาก็ทอดพระเนตรเห็นความเสียสละของพระโพธิสัตว์เกิดธรรมสังเวชอันใหญ่หลวงว่าเราเป็นถึงพระราชาก็ยังไม่มีภาวะผู้นำถึงขนาดนี้ดูพระยาวานอนตัวนี้สิช่างมีลิเดอร์ เลดดี้ชิพภาวะผู้นำสูงกว่าเราซึ่งเป็นพระราชามหากษัตริย์เสียอีกพอเห็นเหตุการณ์เช่นนี้แล้วทรงสลดพระทัยเหลือประมาณจึงมีรับสั่งให้คณะบริพาลหยุดประหัตประหารพยาวานอนนี่ก็คือประชาติหนึ่งที่พระโพธิสัตว์อุทิศชีวิตลงเป็นฐานเรียกว่าบำเพ็ญปรมัภะบารมี ฉะนั้นที่เรามาสวดกันทุกเชา้าทุกเย็นนี้ถ้าเราทำความเข้าใจให้ดีและปฏิบัติให้เป็นเราทุกคนกำลังเดินอยู่บนหนทางของพระโพธิสัตว์ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติครบทั้งสิบประการก็ได้ปฏิบัติเพียงทานข้อเดียวก็ทำให้ได้รับอ น, นิสงส์งกว้างไกลไพศาลทานในเบื้องต้น กำจัดความตรณีในเบื้องกลางยกระดับคุณภาพจิตในเบื้องสูงทำให้เราลอยพ้นจากการเห็นแก่ตัวการให้โดยไม่มีอัตราของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกมิตินับเป็นฐานะบารมีขั้นสูงให้โดยไม่หวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทนดังหนึ่งต้นจันทร์หรือไม้จันทร์หอม ไม้จันหอมเป็นไม้ตระกูลไม้หอมและเป็นไม้มงคลปราท่านหนึ่งเขียนว่าอันธรรมดาของไม้จันทหอมนั้นเมื่อยังยืนต้นเป็นไม้ใหญ่ไพรระหงก็ให้ร่มให้เงาแก่มนุษย์และนกหนูหูเปกที่ได้บินมาพึ่งพาอาศัยครั้น ใครคนใดคนหนึ่งที่ได้มาพึ่งพารวมเงานั้นจะเดินจากไปเกิดอึดอัดขัดเคืองมีความโกรธต่อต้นจันยกขวานขึ้นมาจามต้นจันสองสามฉับแล้วแบกขวานหนีไปแทนที่ต้นจันจะโกรธเคืองก็ยังอุตสาให้กลิ่นหอมติดขวานไปอีก <c oughs> <c oughs> นี่แหละจัญญาของพระโพธิสัตว์ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งนิยามจร ญ, ญาของพระโพธิสัตว์เอาไว้ง่ายๆว่าอัจาสัยสที่ทนไม่ได้เพราะการุณาคือลักษณะของมหาบุรุษใครก็ตามที่เห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วอดรนทนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาหาทางช่วยเหลือก็อกูลโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งคนนั้นเราเรียกว่ามีอัจฉริยสของมหาบุรุษมหาบุรุษก็คือคนที่เป็น มหาสัตมหาศัตว์ก็คือผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ฉะนั้นเราทุกคนสามารถเป็นพระโพธิสัตว์ได้ในชีวิตนี้ขอเพียงเรามีจิตวิญญาณของการเป็นพระโพธิสัตว์นั่นก็คือเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วอดรนทนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตามแต่ศักยภาพของตัวเองจะทําได้ที่ประเทศไต้หวัน พระพุทธศาสนาสายมหายาณรุ่งเรืองมหายาณนั้นอุดมกติพระโพธิสัตว์เข้มข้นกว่าเทราวาสมากพระมหายาณนั้นถือว่าใครๆก็เป็นพระโพธิสัตว์ได้แต่ในคติของเทราวาสถือว่าพระโพธิสัตว์ในยุคหนึ่งจะมีเพียงพระองค์เดียวอย่างทุกวันนี้ก็จะมีเพียงพระศรีอารยาเมรยตรัยโพธิสัตว์ซึ่งกําลังบําเพ็ญบารมีอยู่ แต่ในคติของมหายาณนั้นท่านถือว่าใครๆก็เป็นพระโพธิสัตว์ได้พระโพธิสัตว์ที่เขารู้จักและชื่นชมนิยมนับถือมากๆ ม, มีสององค์หนึ่งก็คือพระอวะโลกิเตสวนโพธิสัตว์เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์ควนเอ็มสองพระกาสิติคันโพธิสัตว์พระอวะโลกิเตสวนโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ควนเอ็มหรือเจ้าแม่ควนเอ็ม พระองค์จันนิรมิตรหรืออวตารแบ่งพาคมาปรากฏในมนุษย์ในรูปลักษณะต่างๆอย่างเช่นทุกวันนี้ชาวมหายานก็ถือว่าองค์ดายลายลามะเป็นพระอวะโลกิเตส่วนโพธิสัตว์พระองค์งนั้นเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยมหากรุณาพรัดที่นาคาที่อยู่จากดินแดนหลังคาโลกแต่พระองค์กลับเดินสายบรรยายธรรม ให้ความรักให้ความอบอุ่นแก่คนไปทั่วทั้งโลกเป็นไปได้อย่างไรพระที่หลีภัยจากบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนถูกศัตรูหมู่ปัจจามิตรลุกฮือขึ้นมาคมเหงทำร้ายจนพระองค์ตกจากบันหลังหนีตายออกมา ตั้งแต่พระชนมายุยังน้อยจนทุกวันนี้จนแปดสิบชันษาละแทนที่พระองค์จะโกรธเกลียดจิงชังศัตรูหมู่ปัจจามิตรเปล่าเลยพระองค์กลับเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเมตตาความปรารถนาดีและสันติภาพจนได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพพระองค์นั้นสเสด็จ ด, ดำเนินไปถึงไหน ก็นำเอาความสุขสงบร่มเย็นไปให้ถึงตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวตะวันตกถือกันว่าองค์ดรายลามาหนนเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอันดับหนึ่งของโลกทุกๆปีมีการจัดอันดับผู้ทรงอิทธิพลของโลกโดยนิตยสารไทมพระองค์ติดอันดับทุกปีเป็นไปได้อย่างไรบุรุษซึ่งพัดที่นาคาที่อยู่ลีภัยออกมา เพราะสงครามแทนที่จะเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความจิงชังพระองค์กลับเต็มไปด้วยเมตตาการุณาอันมากมายมหาศาลวันหนึ่งเมีนักข่าวฝรั่งคนหนึ่งไปถามพระองค์ท่านว่าใต้เท้าขอรับที่พระองค์ทรงหนีออกมาจากทิเบตเพราะว่าศัตรูหมู่ปัจจามิตรไปลุกรานนั้นหม่อมฉันขอถามหน่พระองค์กลัวไหม ท่านก็บอกว่าโอ้กลัวมากเลยฉันกลัวมากนะตอนที่หนีออกมาเนี่ยพระองค์กลัวอะไรกลัวว่าตัวเองจะเผลอไปเกลียดรัฐบาลจีนเขาสักวันหนึ่งนี่คือคำพูดของพระโพธิสัตว์ไม่ได้กลัวตายแต่กลัวว่าจะลืมเจริญสติเกลียดศัตรูพระองค์บอกว่าอย่ากเกลียดศัตรู ในการฝึกขันติธรรมคือความอดทนนั้นศัตรูเป็นสิ่งจำเป็นชีวิตของใครก็ตามที่ไม่ผ่านความลำบากไม่ผ่านความทุกข์ยากไม่ผ่านการคมเหงรังแกไม่ถูกิอชารฤษยาจะอาวุธที่ภาวะ คือความเติบโตทางจิตวิญญาณมาจากไหนพระองค์ท่านบอกว่าจงขอบคุณความทุกเถอะจงขอบคุณศัตรูเถอะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อ น, นําปริชาญาณแห่งการเห็นธรรมมาให้เราฉะนั้นสิ่งที่อาตมากลัวไม่ได้กลัวตายแต่กลัวว่าตัวเองจะเผลอไปโกรธศัตรูเขาสักวันหนึ่งท่านบอกว่าเราต้องรักศัตรูของเรา เพราะศัตรูทําให้เรามีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณการรักคนที่น่ารักเป็นเรื่องง่ายมากใครๆก็ทําได้แต่การรักคนที่เกลียดเราเป็นเรื่องยากไม่ใช่ใครก็ทําได้ซึ่งคําสอนนี้มีอยู่ในคําสอนของพระพุทธองค์ของเราครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนพระภิกษุสงฆ์สาวกว่าหากมีศัตรูหมู่ปัจจามิต จับเธอไปแล้วก็มัดตรึงสองมือสองเทา้าแล้วเอาเลื่อยที่มีคมคนหนึ่งจับข้างขวาอีกคนหนึ่งจับข้างซ้ายมาหั่นร่างกายเธอออกเป็นสองท่อนในระหว่างนี้ถ้าเธอโกรธเธอไม่ใช่สาวกของเรานี่คือคำสอนที่พูดถึงมหาเมตตามหาการุณา เราทุกคนต้องฝึกตัวเองให้ไปถึงขั้นนั้นเราถึงจะเป็นพระโพธิสัตว์บนดินพระเยซูท่านก็เคยตรัสเอาไว้ใครตบหน้าท่านข้างหนึ่งให้หันอีกข้างที่เหลือให้ด้วยทำได้ไหมลองมิ๊พระพุทธองค์ก็ตรัสเช่นเดียวกัน หากศัตรูจับเธอมัดตรึงสองมือสองเท้าของเธอเอาไว้จากนั้นเอาเลื่อยที่มีคมมาหั่นเธอออกเป็นสองท่อนใครโกรธศัตรูคนนั้นไม่ใช่สาวกของเราจากคำสอนในกะกะจูประมาณส่วนนี้สรุปเป็นหลักปฏิบัติได้ว่า เธอต้องเรียนรู้ที่จะรักศัตรูของเธอถ้าเธอโกรธศัตรูจิตของเธอก็ไม่ได้ประเสริฐอะไรหรอกเขาแรงมาเธอก็แรงไปตาต่อตาฟันต่อฟันตาต่อตาก็ตาบอดฟันต่อฟันก็ฟันหักสงครามไม่มีทางยุติโดยการใช้ความรุนแรงเข้าห้ำหันกันพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าแต่ไหนแต่ไรมาในล่านี้ เวรไม่มีระ ง, งับเวรด้วยเวรสนองเวรระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นองค์ดาลายาม ก, ก็ถือปฏิบัติตามนี้และดังนั้นพระองค์จึงได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์บนดินคุณนึ่สมบัติประจําใจประการหนึ่งของพระโพธิสัตว์ซึ่งขาดไม่ได้แล้วเราทุกคนน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติได้นั่นก็คือกรุณา กรุณาคือการมีความรักอันกว้างไกลไพศาลต่อสรรพชีพต่อสรรพสัตว์ทั่วทั้งสากลโลกโดยไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังและไม่แบ่งแยกใครที่ปฏิบัติกรุณาหรือคอม p a ช s ได้คนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์บรดินกรุณาต้องมาพร้อมเมตตาเสมอ เมตตาคือมองไปทางไหนเห็นโลกทั้งฟองเป็นพี่น้องกันเราจะต้องมองคนให้ทะลุไปจนถึงเนื้อในของความเป็นคนมองคนให้ทะลุสีผิวมองคนให้ทะลุสีเสื้อมองคนให้ทะลุหัวเข็มขัดมองคนให้ทะลุสถาบันมองคนให้ทะลุชาติาศาสนาวัฒนธรรมเพศภาษาเผ่าพันธุ์พักพวกที่เขาสังกัด ทะลุได้วลวงก็ไปถึงกันในของความเป็นคนนั่นก็คือคนทุกคนเป็นสัตว์บาโลกเหมือนกันกันกบเราเราทุกคนเป็นคนชาติเดียวกันนั่นคือเราเป็นมนุษยชาติเมื่อไร่ก็ตามที่เรามองคนจนทะลุไปถึงกันเนื้อในสุดของความเป็นคนเราจะเห็นตัวเองในคนอื่นและเราจะเห็นคนอื่นในตัวเราอะไรที่เราเห็นเราจะเห็นว่า มนุษย์ทั่วโลกสิ่งมีชีวิตทั่วโลกมีสัจธรรมพื้นฐานร่วมกันประการหนึ่งนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรักสุขเกลียดทุกข์กลัวความตายเหมือนกันกับเราก็เนื่งเมื่อเขากับเราเสมอกันเช่นนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องโกรธเกลียดชิงชังใครในโลกนี้เลยและดังนั้นคนทุกคนโลกทั้งแองจึงเป็นเครือญาติของเราพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนในโลกจะไม่ใช่เครือญาติของเราพระองค์บอกว่าไม่จำเป็นอย่าทำร้ายใครต่อให้จำเป็นก็อย่าเลือกที่จะใช้ความรุนแรงเพราะอาจเป็นไปได้ว่าคนที่เธอกำลังจะทำร้ายในบางพบบางชาติเขาเป็นพ่อเธอเขาเป็นแม่เธอเขาเป็นลูกเธอเขาเป็นสามีเธอเขาเป็นพันธยาของเธอในสังสารวัต แห่งการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งยาวนานจนคำนวณเป็นมิติของเวลาและตัวเลขไม่ได้นี้เราทุกคนมีโอกาสเกิดมาเป็นตระกูลวงพงสาของกันและกันฉะนั้นเราจรึงไม่ควรโกรธเกลียดชิงชังใครเลยมองคนทั้งโลกว่าเป็นญาติพี่น้องของเรานี่คือหลักคิด VRW โลกทั้งแผงเป็นพี่ น, น้องกัน พระโพธิสัตว์ต้องคิดให้ได้อย่างนี้ต้องมองให้ได้อย่างนี้แล้วจิตใจของท่านจะประเสริฐเ ล, ลิศล้ำนอกจากองค์ดาลารามแล้วมีพระโพธิสัตว์ที่โดดเด่นอีกท่านหนึ่งคือภิกษุณีรูปหนึ่งผู้สถาปนามูลนิธิพุทธชิรจี้ท่านเจิ้งเหย็นท่านเป็นภิกษุณีตัวเล็กๆรูปหนึ่งเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ศึกษาพระธรร ม, มวินยัย วันหนึ่งท่านไปเยี่ยมลูกศิษย์ของท่านที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งระหว่างเดินไปยังเตียงคนไข้ไปเจอหยดเลือดเรียงรายไปตามระเบียงท่านถามบุรุษพยาบาลว่านี่เลือดใครอ่ะบุรุษพยาบาลก็บอกว่าอ๋อเป็นเลือดของผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นชาวเขาอย่าคิดมากก็แค่ชาวเขาแล้วไปไหนอ่ะโอ้กลับขึ้นดอยไปละเอา้าทไมกลับขึ้นดอย ก็พอดีเธอท้องแก่สามีอุ้มลงโดยมาจะมาคลอดที่โรงพยาบาลแต่ว่าเธอไม่มีเงินมาวางประกันค่าทําคลอดก็ในเมื่อไม่ไม่ทําตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลทางเราก็ไม่ได้ทําคลอดให้ก็มาทางไหนก็ให้ไปทางนั้นพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่นาที่นั้นหัวใจของพระโพธิสัตว์องค์นั้น สัรนสะเือนเหมือนแผนเดนจ์จะุดท่านบอกกับตัวเองว่าทำไมมนุษย์เรานั้นถึงโหดเห็นถ้าเมนชาติกับคนด้วยกันถึงเพียงนี้ป่านนี้ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รูแ้แค่เงินไม่กี่เหรียญเมื่อเทียบกับชีวิตคนนั้นเทียบกันไม่ได้หลวงแม่จึงตั้งปณิญานว่าตราบใดก็ตามที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเลย กลับออกจากโรงพยาบาลคราวนั้นจึงตัดสินใจรณนนรงค์ขอรับบริจาคจากประชาชนชาวไต้หวันตามกำลังศรัทธาเริ่มจากแม่บ้านเล็กๆในชุมชนแห่งหนึ่งขอรับบริจาคออกเดินทางกันห้าสิบคนายทุกคนทุกแห่งแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้างโรงพยาบาลว่ากันว่ากว่าแปดร้อยล้าน มีแต่คนดูหมิ่นถิ่นแคลนว่าตัวเล็กอย่างนี้แล้วคิดการใหญ่สร้างคลินิกยังพอไหวนะนี่สร้างโรงพยาบาลและตั้งใจให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดด้วยนะจะสำเร็จหรือหลวงแม่ไม่สนใจเมื่อปักปานิธานลงไปดังหนึ่งตอกเสาเข็มลงไปในผืนแผ่นดินใจของตัวเองแล้ว ไม่ว่าคนจะเห็นด้วยไม่ว่าคนจะเห็นต่างท่านไม่แคร์เดินหน้าบอกบุญขอรับบริจาคทั่วเกาะไต้หวันกระทั่งวันหนึ่งเรื่องราวนี้รู้ไปถึงนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเขาประทับใจมากบินมาแล้วก็แจ้งปฏิธานว่าจะขอรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดแปดร้อยล้านบาทถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภยัยลูกศิษย์ลูกหาดดีใจในที่สุดหลวงแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว เงินสร้างโรงพยาบาลจากเจ้าภาพเดียว800ล้านจบลูกศิษย์ดีใจไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ต้องตกใจเพราะหลวงแม่ตอบปฏิเสธท่านบอกว่าขอบพระคุณในความกรุณาแต่ว่าแม่ขอไม่รับโรงพยาบาลนี้แม่อยากให้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของคนไต้หวันทั้งประเทศ วันหนึ่งถ้าแม่รับเงินของท่านเกิดท่านขัดแย้งกับแม่ท่านหุบโรงพยาบาลคืนละ่ะและที่สำคัญสิ่งที่แม่ต้องการไม่ใช่แค่สร้างโรงพยาบาลแม่ต้องการสร้างจิตแห่งพระโพธิสัตว์ลงไปในประเทศนี้ในประเทศซึ่งคนเห็นเงินสำคัญกว่าชีวิตคนด้วยกัน โรงพยาบาลเป็นดังหนึ่งกุศโลโบายเท่านั้นสิ่งสำคัญกว่าโรงพยาบาลคือแม่อยากกระตุ้นจิตพระโพธิสัตว์ที่นอนหลับไหลมาหลายศตวรรษในประเทศนี้ให้ตื่นขึ้นมาเมื่อเราเลิกเห็นแก่ตัวเราจะได้โรงพยาบาลบนดินและโรงพยาบาลที่ไปอยู่ในใจคนนั่นต่างหากคือสิ่งที่แม่ปรารถนา พอตอบปฏิเสธยิ่งเป็นข่าวใหญ่เลยทีเนี้ในที่สุดคนเฮโลกันมาบริจาคทุกวันนี้ก็มีโรงพยาบาลสมตามที่หลวงแม่ท่านตั้งใจและท่านก่อตั้งมูลนิธิพุทธชอรจี้ขึ้นมากลายเป็นมูลนิธิที่ถือกันว่าเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกมีเงินหมุนเวียนนับหมื่นล้านบาท เกิดวิกฤตการอุบัติภัยขึ้นมาในโลกว่ากันว่านะคนของชิวจี้จะเข้าถึงภายในสิบห้านาทีแล้วเวลาไปช่วยไม่ได้ไปช่วยแค่สร้างบ้านหนึ่งหลังไปช่วยทีหนึ่งคือช่วยทีละประเทศถ้นเกิดสึนามิคนตายหนึ่งแสนเนี่ยชิจี้สามารถรับผิดชอบได้ทั้งหมดทั้งจัดการศพทั้งสร้างบ้านให้สร้างโรงเรียน และฉุจี้ก็รณรง์การเก็บขยะทั้งเกาะไต้หวันวันหนึ่งหลวงแม่ไปแสดงธรรมระหว่างทางที่ท่านไปแสดงธรรมนั้นดูเหมือนรถของท่านจะวิ่งผ่านโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนเมื่อคือนเพิ่งจะจัดงานอะไรสักอย่า ง, งมีคนมานับพันเพราะจบงานตอนกลางวันก็ทิ้งขยะไว้เกลื่อนสนามพอไปถึงงานคนปรบมือต้อนรับท่าน ท่านบอกว่าแม่ขออะไรได้ไหมมือที่ปลอบให้แม่ทุกมือในวันนี้เปลี่ยนเป็นมือที่เดินออกไปเก็บขยะได้ไหมทุกคนอึง้งหลังจากอึ้งแล้วก็ปรบมือกราวใหญ่นิ่งและนานในที่สุดเกิดขบวนการเก็บขยะทั่วประเทศ จนกลายเป็นวัฒนธรรมการจัดการขยะเอาคนแก่คนเท่าคนตก ง, งานมานั่งคัดแยกขยะทั่วประเทศมีศูนย์อยู่ทุกหนทุกแห่งขายขยะจนได้เงินมาก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีขาวชื่อตาอ้ายแปลว่ามหากรุณาความรักอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระโพธิสัตว์ฉะนั้นทุกวันนี้ไต้หวันก็มีสถานีโทรทัศน์สีขาว ดาราทุกคนไฟฝันที่จะไปออกร์ดการโทรทัศน์ของสถานีนี้และมีมหาวิทยาลัยผลิตแพทย์พระโพธิสัตว์ผลิตยพยาบาลพระโพธิสัตว์ผลิตอาสาสมัครพระโพธิสัตว์กระจายกันอยู่ทั่วกอะไต้หวันจนกระทั่งกลายเป็นที่ศึกษาดูงานด้านจิตพระโพธิสัตว์ในระดับโลกนี่คือพลังของผู้หญิงคนหนึ่ง พลังของพระโพธิสัตว์บนเด่นองค์หนึ่งโยมแม่เล่าในวันที่ตมาไปพบท่านกับผู้คนเองมากมายนับพันท่านเล่าว่าท่านเดินตามคติของพระกสิติคันพโพธิสัตว์พระกสิตรคันพโพธิสัตว์มีอุดมคติว่าจะช่วยขนคนทั้งโลกให้เข้านิพพานให้หมดต่อให้ในนรก เหลือสัตย์นรกเพียงตัวสุดท้ายท่านก็จะลงไปขนขึ้นมาเมื่อในนรกไม่มีสัตว์นรกเหลือสักตนสักตัวท่านจึงจะถือว่าท่านประสบความสำเร็จนี่คือพระโพธิัตวผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากหยดเลือดเพียงไม่กี่หยดกลายเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และช่วยเหลือเกื้อกูลคนมากมายนับร้อยล้านนับพันล้านชีวิตของท่านกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกนี่คือพลังของการเป็นพระโพธิสัตว์ฉะนั้นเราทุกคนที่มาสวดบา ร, รมีสามเสบทัพอยู่ทุกเมื่อเช้าวันถ้าเราสวดแล้วเราไม่เข้าใจมนบทนี้ไม่ช่วยอะไรนะแต่ถ้าท่านสวดด้วยความเข้าใจทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งท่านจะกลายเป็นพระโพธิสัตว์ พวกเราเคยรู้ไหมทําไมพระอวะโลกีเตส่วนโพธิสัตว์บางปางจึงมีพันเนตรและพันกรนเราเข้าไปวัดมหายานไปดูเลยคนไทยคนจีนชอบไปไหว้ไปไหว้พระเจ้าแม่กวนอิมไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตพันกรแล้วก็ขอให้ท่านช่วยสารพัดเลยใส่ซองยี่สิบาทขออยู่ครึ่งว่า ขอให้ท่านช่วยสารพัดรู้ไหมนั่นในมิติของเราคือเราขอให้ท่านช่วยเราแต่ในมุมมองของพระโพธิสัตว์เองท่านขออะไรเจ้าแม่กวนอิมท่านขอให้ตัวท่านเองมีพันเนตรคือเมตตาพันดวงมีพันกรคือมีมือตั้งพันเพื่ออะไรท่านตั้งปฏิธานว่าขอให้ข้าพเจ้าเมตตาพันดวงมีมือสักพันมือ เราเรียกว่าพันเนตรพันก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีพันเนตรพันก่อนเพื่อที่ว่าตาของข้าพเจ้านี้จะได้สอดส่องคนตกทุกข์ได้ยากทั่วทั้งสาโกละโลกคนตกทุกข์ได้ยากมีที่ไหนขอให้ตาของข้าพเจ้าจงมองเห็นคนเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อเห็นแล้วก็ขอให้มือตั้งพันของข้าพเจ้านี้ได้ยื่นไปโอบอุ้มตระกองกอดช่วยเหลือประคับประคองคนตกทุกข์ได้ยากเหล่านั้น ให้ผลจากการลอยคออยู่ในท่าเลืแห่งความทุกข์ขึ้นมาสู่โลกแห่งความสุขพระโพธิสัตว์ขอให้ตัวเองมีพันเนตรพันก่อนเพื่อจะได้ช่วยชาวโลกชาวโลกไปหาท่านเพื่อขอให้ท่านช่วยฉันคนเดียวฉะนั้นเวลาที่เรากราบไหว้เคารพ บ, บูชาพระโพธิสัตว์เราต้องตีประเด็นเรื่องนี้ให้แตกมี่นนั้นแล้วเราจะเอาแต่ขอ แต่ถ้าเราเข้าใจแทนที่เราจะขอจากท่านเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานผู้ช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านเราจะกลายไปเป็นทีมเวิร์คของพระโพธิสัตว์เราจะกลายไปเป็นสตาฟของพระโพธิสัตว์เราจะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพระโพธิสัตว์ในโลกนี้ในสังคมนี้ในประเทศนี้คิดดูว่าระหว่างการขอให้พระโพธิสัตว์ช่วย กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการพระโพธิศัตว์ผู้ถือคติเบิกบานจากการรับใช้เพื่อนมนุษย์ถามหน่อยว่าชีวิตแบบไหนมีคุณค่ามากกว่ากันเอาแต่ขอเอาแต่รอเอาแต่ไหวกับลุกขึ้นมาตั้งปณิธานว่าทุกวันจะเป็นวันแห่งการให้อาตอมาคิดว่าอย่างหลังประเสริฐที่สุด ฉะนั้นพระอาจารย์อยากให้เราทุกคนซึ่งสวดบา ร, รมีสามสิบทัศตีประเด็นของพุทธมนต์บทนี้ให้แตกแล้วจากนั้นจงเปลี่ยนตัวเองมาเป็นพระโพธิสัตว์บนดินใครทำได้เช่นนี้ชีวิตของคนคนนั้นจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากและระหว่างเส้นทางของการช่วยเหลือเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ขอให้เราทั้งหลายถือว่านั่นคือโอกาสในการบาเพ็ญบารมีและคนทุกคนที่เราเข้าไปช่วยเหลือคือผู้มีพระคุณของเราตลอดเส้นทางแห่งการช่วยเหลือเกือ้อกูลชาวโลกนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะถือปฏิบัติด้วยก็คือต้องมั่นคงเพราะเส้นทางของการทำคุณงามความดีดังหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นจะเต็มไปด้วยการถูกมองในแง่ลบเช่นถูกกล่าวหาว่าสร้างภาพ ถูกป้ายสีดำให้ว่าหวังผลทางการเมืองหรืออยากได้ดีอยากมีหน้าเราจะถูกบันทอนตลอดสองเส้นทางตลอดเส้นทางของการทำคุณงามความดีในนาพระโพธิสัตว์แต่อย่าได้แปลกใจใครก็ตามโยนก้อนหินแห่งคำดา่าโยนก้อนหินแห่งความเข้าใจผิดโยนก้อนหินแห่งการดูหมิน่นถท็จแคลนเสีเราเราเก็บก้อนหินเหล่านั้นไว้เก็บไว้ อย่าปาก้่อนหินเหล่านั้นกลับเก็บไว้ใครโยนให้เราเก็บไว้เก็บได้เยอะๆแล้วเอามาก่อเป็นกำแพงเอามาก่อเป็นบ้านเอามาก่อเป็นบันไดให้คนได้มาอยู่ได้มาอาศัยได้ไม่ใช่ว่าเขายนกนหินแห่งคำด่ามาเก็บไว้แล้วปากลับไปอย่างนั้นไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ วิถีของพระโพธิสัตว์จะต้องเรียนรู้ที่จะแปลศาสตราวุธให้เป็นแพร่พันุ์แปลคาด่าให้เป็นการชี้บอกคมรั์แปลความอิจฉาริษยาให้เป็นแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆให้กับโลกใบนี้และก็แปลความล้มเหลวให้เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของเราถ้าเราถือกติอย่างนี้แล้วก็ บนเส้นทางของการเป็นพระโพธิสัตว์บนดินจะมีแต่กำไรสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างหยิบ ม, มาเป็นครูฝึกของเราหยิบ ม, มาเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญบา ร, รมีของเราเหมือนปราท่านว่ามานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิด น, นี่คือปรัช ญ, ญาของพระโพธิสัตว์ถ้าท่านถือกติอย่างนี้แล้วก็โลกนี้จะมีพระโพธิสัตว์เพิ่มขึ้นนะ บอกตามตรงโลกทุกวันนี้ยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยวิกฤตการและปัญหามากมายเราจะยกภาระในการกู้โลกให้กับพระโพธิสัตว์องค์เดียวไม่ได้นะพระโพธิสัตว์ก็เหนื่อยนะฉะนั้นเราทุกคนต้องมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขอบวนการพระโพธิสัตว์ฝากภาระไว้กับพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็ไม่ได้พระโพธิสัตว์องค์เดียวก็ไม่ได้ถ้าเราอยากให้โลกนี้รอดจากวิกฤต เราต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานพระโพธิสัตว์โดยการถือปรัชญาพระโพธิสัตว์สิบประการที่กล่าวมาหรือได้เห็นว่าสิบประการนั้นยากไปยาวไปเยอะไปเอาเหลือข้อเดียวกรุณารักแท้คือกรุณาคือรักคนทั้งโลกโดยปราศจากเงื่อนไขโดยปราศจากการแบ่งแยกโดยปราศจากการคาดหวังผลตอบแทนให้โดยบริสุทธิ์ใจปรารถนาให้คนอื่นดีกว่าตน หรือเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ใครทำได้แค่นี้คนคนนั้นเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้ดีกว่าเดิมและคนคนนั้นคือพระโพธิสัตว์บนดินจำคติธรรมที่ตรมภาพเกินมาแต่ต้นว่าอันธรรมดาไม้จันหหอมนั้นเมื่อเป็นไม้ใหญ่ไพรรังหงอยู่ในป่าก็ให้ร่มให้เงาแก่ผู้เข้ามาพำนักพักอาศัย ครั้นวันหนึ่งผู้ก็มาพำนักพักอาศัยเกิดโมโหฉุนเฉียวไม่พอพอใจในต้นจันร์นั้นเอาขวานจามต้นจันร์ต้นจันร์ก็ยังให้กลิ่นติดขวานกลับไปด้วยนี่คือวิธีของพระโพธิสัตว์รักทั้งคนที่น่ารักและรักทั้งคนที่ไม่น่ารักเสมอกันเพราะโลกทั้งของเป็นพี่น้องกัน ใครทําได้เช่นนี้คนคนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์โดยไม่ต้องรอให้มีการแต่งตั้งถ้ามีจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นตั้งแต่นาทีนั้นฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนะแพทย์พยาบาลทุกคนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุกคนให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการพระโพธิสัตว์เพื่อทําโลกนี้ให้ดีกว่าเดิมโดยทั่วกันพูดแล้วโยวมันจะมองไม่เห็นภาพ พระโพธิสัตว์องค์หนึ่งอยู่อินเดียองค์เล็กๆเมื่อเกิดวิกฤตการณ์แล้วคนอื่นเย็นชาหมดแต่พระโพธิสัตว์น้อยคนนี้ยลุกขึ้นมานำพระโพธิสัตว์ตัวเน้นน้อยที่อินเดียทําอะไรสูงใหญ่ไม้ใหญ่เนะี่ยล้มขวางถนนรถติดออกกันเป็นแพรเนะี่ยทุกคนรอเจ้าหน้าทีทา่ทางที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ได้นะ แต่พอเรามีวิธีคิดว่าธุระไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเทศบาลเราก็จะรอเทศบาลกันทีนี้เจ้าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยไม่มีวิธีคิดแบบนั้นเด็กคิดง่ายๆว่าอะไรมาขวางถนนขวางก็ยกสิมันก็ลงไปยกผู้ใหญ่ละอายแก่ใจก็ลงไปช่วยกันยกสุดท้ายก็ยกสําเร็จสมัยเป็นเด็กตอนอาตมาโตมานะถ้าฝนตกน้ําปานไหลมาเนะี่ยหัวสะพานสุดนะคนทั้งหมู่บ้านจะซ่อมเอง ใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอมันซูดนะครั้งไม่ครึ่งปีรู้ไหมให้อบตหางบมาจิตโพลิสัต์มันหายไปไหนนี่แหละเรายกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของทางการแล้วเราก็เลยเห็นแก่ตัวกันไปหมดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันหายไปในสังคมไทยนะเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องของหมอคนหนึ่งตอนยังเด็กได้ไปขโมยของ เพื่อมาให้แม่ซึ่งป่วยหนักเจ้าองร้านกว๋วยเตี๋ยวมั้งเข้ามาช่วยเหลือนะแล้วต่อมาเจ้าของร้านคนนี้ป่วยหนักสูญเสียค่ายาทั้งเจ็ดแสนลูกร้องไห้โฮไม่มีปัญญาทดใช้ละขายกว๋วยเตี๋ยวจะาเงินเจ็ดแสนมาจากไหนประกรวหมอเจ้าของไข้คืออดีตเด็กคนนั้นเลยยกค่าใช้จ่ายเจ็ดแสนให้ไปเลยฟรีฟร โดยหมอบอกว่าคุณได้ทดใช้ให้ผมแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือค้าต้มถุงหนึ่งแล้วก้าต้มถุงนั้นตอนนี้มันมีมูลค่าเจ็ดแสนบาทเท่ากับค่ารักษาทั้งหมดนี่แหละนี่ก็เป็นโฆษณาไทยที่ตอนนี้ดังทั่วโลกนะคนดูกันเป็นล้านวิวนะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงจิตพระโพธิสัตว์ของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆคนหนึ่ง ซึ่งให้โดยไม่หวังว่าจะได้อะไรตอบแทนแต่การตอบแทนนั้นเป็นไปเองตามธรรมชาติการให้ไม่ต้องคิดนานนะคิดนานนะคือการลงทน <c oughs> <c oughs> ให้เลยอยากให้ก็ให้เลยไม่ต้องคิดนานถ้าคิดนานคือคิดว่าฉันจะได้อะไรตอบแทนวาคิดอยู่นั่นแหละ พอเห็นว่าตังจะได้น้อยเลยไม่ให้เลยอย่าให้ความโลภมาบั่นทอนการยกระดับจิตใจของเรานะอาดามามีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังตอนยังอยู่กรุงเทพเมื่อสิบปีก่อนวันหนึ่งมีข้าราชการคนหนึ่งมาขอพักที่โกติอาดามาก็ไม่ได้คิดอะไรก็จัดให้พักหลังจากนี้ก็ไปขอมาแทบทุกโกติแล้วไม่มีใครให้พัก ก็ เ, เป็นคนแปลกหน้าอดามาก็ให้พักแล้วก็ถามว่ากินข้าวมาแล้วยังท่านก็บอกยังก็เลยบอกลูงศิษย์ไปซื้อผัดกะเพราไข่ดามาให้รูกสิษ์ก็ไปซื้อมาให้แล้วก็ลงไปนั่งเฝ้านั่งเฝ้าแกกินอยู่แล้วก็บอกลูงศิษย์ไปนอนกุฏิอื่นนะคืนนี้เราให้แขกพักนั่งคุยกับท่านจนถึงเที่ยงคืนอะวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็ไม่เจอแล้วทิ้งโน้ตไว้ว่า ผมกลับขอบพระคุณที่ให้ที่นอนผมและผัดกับพาวเวรดังจานผมต้องรีบไปประชุมล่ะท่านก็ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลท่านตามนายมาประชุมแล้วอาตมาก็ลืมไปเลยสิบปีต่อมาวันหนึ่งอาตมาไปบรรยายที่ทำเนียบรัฐบาลจู่ๆก็มีวิทยากรท่านหนึ่งเป็นระดับอธิบดีกรมใหญ่มากในกระทรวงขึ้นมาทำหน้าที่แนะนำอาตมาท่าน นายกรัฐมนตรีท่านประหลัดกระทรวงท่านอธิบดีกระผมขอโอกาสทำหน้าที่แทนพิธีกรเพราะว่าพิธีกรวันนี้มีความหมายสำหรับผมอาตมาก็านั่งดูจะมาไหมไหนวะไม่รู้จักกันเลยจะมาไหมไหนสิบกว่าปีที่แล้วผมตามผู้ใหญ่มาประชุมที่ที่นี่แหละครับที่ทำเนียมผมเป็นแค่เด็กถือเอกสารให้ท่าน วันนี้ผมเป็นอธทิตบดีในวันที่ผมมาขอพักที่วัดก็มีพระร่วมนึ่งให้ผมพักตัวผอมๆสมแว่นตาท่านอุตส่าห์ให้ลูกศิษย์ไปนอนกุฏิอื่นยกห้องให้ผมซื้อผัดกะเพราข่าดาวมาให้ผมทานและนั่งคุยเป็นเพื่อนจนถึงเที่ยงคืนผ่านมาสิบกว่าปีแล้วครับแล้วตอนนี้ท่านก็ดังเกินกว่าที่ผมจะเข้าถึงซะและ้ว แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่เคยลืมและผมภูมิใจทุกครั้งที่เห็นท่านทางทีวีก็คือผมไม่ลืมเมื่อครั้งหนึ่งผมได้เคยพึ่งใบบนท่านและท่านก็ไม่เคยถามถึงผมผมรู้สึกว่านั่นคือการให้ที่จริงใจที่สุดในโลกที่ผมเคยได้พบผัดกะเพราไข่ดาวจานนั้นผมอิ่มนะครับแต่ว่า มันไม่ได้อิ่มแล้วอิ่มเลยมันอิ่มอยู่ในใจผมมาจนทุกวันนี้เพราะว่าพระรูปนั้นก็คือพระอาจารย์รูปนี้ที่ท่านให้กับผมโดยที่ไม่จําเป็นต้องรู้จักกันท่านไม่ถามผมด้วยซ้ําไม่ขอนําบัตรท่านไม่กังวลด้วยซ้ําว่าผมเป็นคนแปลกหน้ามานอนแล้วจะขโมยของในกุติไหมท่านแค่ให้ที่อยู่ผมให้ที่นอนผมและเลี้ยงข้าวผม สิบกว่าปีแล้วครับผัดกะเพราแค่ดาวยังอิ่มอยู่ในใจผมเสมอแล้วที่ประชุมก็ลืมตัวก็ปอบมือกันหมดเลยเชื่อไหมว่าต่อมาท่านก็เติบโตขึ้นไปจนเป็นถึงประหลัดกระทรวงอาตมาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่เชื่อไหมทุกวันนี้เวลาอาตมาจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามถ้าท่านรู้ท่านโทรไปดักดักสถานทูตทุกแห่งทั่วโลกเลย เดูแลอาจารย์อ้วด้วยนะสิบกว่าปีแล้วนะอนุภาพของผัดกะเพราแข่ดาวยังอยู่ให้ให้ไม่ต้องคิดนานไม่ต้องคิดมากให้เลยช่วยเลยถ้าจริงใจไม่ศูนย์นี่คือวิธีของพระพพธิศัตว์การให้ถ้าเกิดจากความจริงใจ ไม่มีศูนย์จะคืนมาแน่ในรูปใดรูปหนึ่งท่านไม่ต้องหวังและท่านไม่ต้องรอมันจะคืนโดยธรรมชาติเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมใดๆในโลกเกิดขึ้นยังมีเหตุผลเสมอฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสให้อะไรได้ท่านให้เลยท่านมีชื่อเสียงท่านให้ชื่อเสียงของท่าน ท่านมีความรู้ท่านให้ความรู้ของท่านท่านมีเงินท่านให้เงินของท่านท่านมีความรักท่านให้ความรักของท่านท่านมีความเมตตาท่านให้ความเมตตาของท่านไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินเป็นทองแค่คนมาหาแล้วท่านทอดตามองน่ะท่านให้ความสําคัญกับเขาแค่นั้นอะไรๆดีๆก็เกิดขึ้นแล้วมีวันหนึ่งมีคุณยายคนหนึ่งมาหาธรรมาบินมาจากแคลิฟอร์เนียเพราะว่าคุณยายฝันเห็นอรตมา ฝันว่าท่านวอรมาหาแล้วเอาจีวนมาให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยลูกสาวของคุณรายก็ทำนายฝันว่าแม่งานเข้าละ่ะพระมาหาพร้อมจีวน <c oughs> <c oughs> จีวนบังสุกุลหรือแม่ <c oughs> ลูกตีความเข้างานศพเลยอะแม่จะอายุไม่ยืนตั้งแต่นั้นมาแม่ไม่มีความสุขอยู่ครึ่งปี ตัดส um <im> ินใจบินมหาตมาเพื่อจะมาขอคําทำนายฝัน่ะก็ลูกเล่นทำนายว่าพระมาหาแล้วพร้อมพระบางสุกุลใช่ไหมตายนะเนี่ยแม่แม่ไม่มีความสุขแก่ยังไงก็เข็นกันมาแหละนั่งล้อเข็นมาเลยมาหาตมะพอมาถึงก็ร้องไห้ร้องทําไมก็ท่านน่ะที่ไปหายอมลูกมันก็บอกว่าโยมจะอายุสั้น ก็เลยจะมาถามให้มันรู้ว่ามันคืออะไรท่านไปหาโยมพร้อมจีวรมันคืออะไรบอกโยมแม่สิลูกหลานหอนนั่งรองฟังอาตมาบอกโยมตามธรรมเนียมพุทธว่ากันว่าผู้ชายนะถ้าฝันว่าได้ถวายบาตจะไม่อดไม่กลั้นผู้หญิงถ้าได้ถวายจีวรจะมีทรัพย์สินสมบัติเหมือนนางว่สาขาห <c oughs> ันไปมองลูก ลูกกม้มมึงเงดตัวดีเนี่ยแม่ทุกข์มึนครึ่งปีเพราะคำดํานของลูกฝันมงคลนะรู้ไหมฝันมงคลไปบอกว่าถวายจีวรสิมีกินมีใช้ตลอดชาติมึงนั่งวิสาขามหาอุบาสิกาแต่ลูกไม่มีความรู้พล่งมาเลยว่าแม่งานเข้ารอแม่เลยทุกข์พอพอพระอาจารย์อธิบายให้ฟังโอ้ยยายมีความสุข พูดจอทั้งวันตั้งแต่สามโมงเช้าถึงถึงเพลนะอารมาไม่ได้พูดเลยพูดพูดพูดกลับไปลูกสาวโทรมาขอบคุณแม่บอกว่าวันนี้พระอาจารย์เทศดีมากสามชั่วโมงเราไม่ได้เทศเลยฟังแม่นะแค่ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าก็ทําให้คนที่อยู่ตรงหน้ามีความสุข มันยากตรงไหนทำให้คนมีความสุขใครๆก็รู้แต่ว่าไม่ค่อยทำใช่ไหมฉะนั้นพอามาเรียนรู้แล้วนี่กลับไปนี่เราต้องไปเปลี่ยนใหม่นะอย่าทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเจ็บเพราะมนุษย์รู้เกลียดยาวนานกว่ารู้รักนะเราเอาอะไรให้ในแป๊บเดียวลืมแต่ถ้าเราด่านี่จำจำมันเลยนะไม่จำเป็นอย่าทำให้ใคร เจ็บช้ำน้ำใจนะไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างศัตรูไว้ทุกคนทุกแห่งโลกนี้กว้างใหญ่สำหรับคนใจกว้างโลกนี้อ้างวังสำหรับคนใจแคบฉะนั้นเราอยู่ตรงไหนไปที่ไหนทำให้คนรักจากหัวใจนะอย่าอย่าเฟคอย่าเสแสร้งสแสดงอย่าสตรอเบอรี่นะอย่าทำเป็นดรามา่านางเอกรักเด็กนะ่าจะจุ๊บ พอกล้องหันไปทางนูน้นเอตีนเขี่ยหมาเห็นมาเยอะและ้วไอ้พวกนี้ชุบชุบชุพอต่อหน้าปุ๊บเป็นไงลูนะพอกล้องหันไปทางนูน้นกเขี่ยออกเลยเหม็นหมาเป็นคนดีเป็นมันเลยดีมันเลยอย่าไปทําเล่นนะบางคนองค์ลงบัรทัาอ่ะไปงานอีเวนต์ะงานเด็กก็รักเด็กงานสัตว์ก็รักหมา นะพอหมดหน้าอีเวน์ปุ๊บองเดิมลงประทับกลับมาที่เดิมอีกในไหนเป็นคนดีแล้วทำไมไม่เป็นมันเลยอะ่ะมอเป็นเป็นพักๆทำไมใช่ไหมฉะนั้นฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยมาเป็นพระโพธิสัตว์กันขออนุโมทนาสาธุการโครบาจารย์แพทย์พยาบาลผู้สนใจในคอร์สภาวนาคราวนี้ทุกท่านทุกคนก็ขออนุโมทนาสาธุการสาหรับการตั้งใจฟังโดยเคารพ ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกคนเบิกบานกับการรับประทานอาหารเที่ยงโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิธรรมบัญญายเรื่องเมตตาที่สากลคือรักคนได้ทั้งโลกโดยท่นววชิราเมธีก็จบลงแล้วนะคะ จากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านการุณายืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาลงยิ้มน้อยๆที่ริมฝีปากผ่อนคลายกายใจให้สบายๆต่อจากนี้เราจะเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันนะคะในเบื้องต้นขอให้สาธุชนทุกท่าน กลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย า, ยาวๆหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายสบายตามสมควรแก่เวลา น, นะคะ การเจริญจิตภาวนาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านมาแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะ